สองสาวันก่อนได้ไปเจอข่าวชิ้นหนึ่งบอกว่าวัดไหนที่มีญาติโยมมาทำบุญเข้าวัดไม่ถึงห้าสิบคนนี่เจ้าว่านี่จะถูกสั่งปลดนะก็เลยสนใจไปดูว่าเออข่าวเป็นยังไงนะก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นคำสั่งของมาเทนสมาคมนะมันเป็นคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรนะีท่าน เป็นคำสั่งที่มีไปยังวัดในสังกัดของท่านนะทั้งจังหวัดเลยเรื่องของเรื่องคือว่าทางจังหวัดมีโครงการหมู่บ้านศรีห่านะอันนี้เป็นเป็นนโยบายของมหาเถรสมาคมให้มีการรณรงค์ให้หมู่บ้านนะทั้งประเทศนี้เขาถือศรีห่ากันเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีท่านก็เลย เรียกว่ามีบัญชานะให้วัดต่างๆในจตหของท่านเนี่ยทำโครงการนี้แล้วก็ตัวชี้วัดก็คือว่าต้องมีคนเข้าวัดนะเป็นประจาประจานี่คงจะทุกวันนะนะไม่น้อยกว่าห้าสิบคนนะถ้าวัดไหนมีโยมเข้าวัดไม่ถึงนี่ก็จะออถูกตักเตือนสามเดือนแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือว่า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 ดึงคนเข้าวัดได้ด้วยการสนองกิเลสตอบสนองปลนเปลือกกิเลสของคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ค น, นมีธรรมะบางทีพระจะร้อยคนเข้าวัดอย่างเดียวก็ไม่พอนะแม้ว่าตั้งใจดีอยาจะเผยแผ่ธรรมบางทีก็ต้องออกไปบ้างออกไปสอนญาติโยมบ้างเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่เข้าวัดก็หลายสายเหตุนะเรื่องการทรมหากินก็อย่างหนึ่งแล้ว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 สมัยก่อนนี่วัด เ, เป็นทุกอย่างนะของชุมชนนะความบันเทิงก็มีที่วัดนะคนก็ม า, าดูริกเก็ตดูสนุกสนาเลื่อนเรืองกันที่วัดนะเปยป่วยก็มาที่วัดนะความรู้ก็สอนหนังสือกันที่วัดนะจะมารู้จักคนมาเจอแฟนก็เจอกันที่วัดนะอย่างพลายงามพลายแก้วกับนางวันทองอภิม พ, พิลาไหลเนี่ยนะก็มาเจอกันที่วัด เพราะว่าสมัยก่อนในวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเนี่ยพระไม่ต้องทําอะไรนั่งอยู่ที่ศาลาเดี๋ยวก็มีโยมมาหาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โยมก็ไม่ค่อยเข้าวัดเพราะว่าอะไรอะไรต่ตออะไรเนี่ยมันอยู่นอกวัดนะความบันเทิงก็อยู่นอกวัดนมีโทรทัศน์นะมีวิทยุมีอินเทอร์เน็ตนะแม้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่ในบ้านนี่ก็สามารถจะเสพหาความบันเทิงได้เพราะว่ามัน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 อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่วัดเนี่ยต้องปรับตัวนะแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าหากวัาปรับตัวดีนะญาติโยมก็จะค่อยๆมาวัดมากขึ้นเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีกินมีใช้หรือว่าถึงแม้ว่าต้องเลี้ยกับการทามาหากินนะแต่ว่าจิตใจก็ยังยังอยากจะทำบุญทากุศลอยู่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 เมืองเดียวนะในเยอรมันเนี่ยมีวัดถึงตั้งห้าวัดนะวัดไทยนะเฉพาะวัดไทยเนี่ยห้าวัดในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนี่เขาว่ามีเป็นสิบวัดเลยทั้งเยอรมันเนี่ยก็มีพระประมาณมีวัดประมาณห้าสิบวัดนะส่วนใหญ่ก็เป็นวัดสาขาวัดสาขาของวัดที่มีอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วนะหลายวัดในกรุงเทพก็ไปเปิดสาขานะ ก็คือส่งพระในวัดของตัวนี้ไปนะไปไปเป็นเจ้าวาดนะในวัดต่างๆในยุโรปนะให้คนไทยเนี่ยนะเจ้าวาไปแล้วนี้ก็ก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็นึกถึงศาสนานะแล้วก็อยากเห็นพระอยากทำบุญ น, ะนีถ้าพระเนี่ยมีความพึ่งตัวเรียบร้อยแล้วก็สอนทำให้กับญาติโยมนะญาติโยมก็มานะ อาจจะไม่มากถึงห้าสิบคนนะแต่ว่าก็จะมากันเรื่อยๆมาทุกวันนะโดยพ่อคนที่เป็นแม่บ้านในเยอรมันนี่คนที่เป็นผู้หญิงไทยที่ไปแต่งงานคนเยอรมันนี่เยอะมากนะสองสองหมื่นคนได้นะแล้วคนเหล่านี้เขาก็พอมีเวลาว่างเพอลูกโตแล้วก็มีเวลาว่างก็มาวัดมาวัดก็มาทำบุญบางทีก็จัดเวรกันมานะจัดเวรกันมาทำอาหารถวายพระ เช้าบ้างเห็นบ้างส่วนใหญ่วัดไทยในในยุโรปหรือที่ไหนนี่ก็ไม่ค่อยบินทบาทนะก็อาศัยญาติโยมนี่แหละแต่บางเมืองนี่โดยเฉพาะในอเมริกานี่ถ้าถ้าอยู่ไกลไกลเมืองนี่ลําบากนะพระบางทีก็ต้องทําอาหารเองก็มีนะอย่างเคยไปที่เซนต์หลุยนะ์นะกับหลวงพ่อคําเขียนอพระนี่ก็ต้องอาหารเช้านี่ต้องทําเองนะมันก็ไม่สะดวกนะ